กำลังกระทากันอยู่ในขณะนี้เรากำลังฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้แสดงได้ไปศึกษาได้นำอาไปปฏิบัติแล้วก็นำเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราอีกทอดหนึ่งถ้าเราไม่มีผู้แสดงทมเราก็ยังสามารถที่จะเข้าหาพระธรรมคาสอนได้อีก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 เป็นผู้รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ดับความทุกข์ได้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งสอนต่อไปเรื่อยๆก็ปรากฏมีผู้ได้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงอย่างไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจ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 เราก็ต้องทำอย่างเต็มที่ <c oughs> ถ้าเรามีความปรารถนาไม่เต็มที่เราก็จะไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่เราจะแบ่งเวลาของเราให้กับการกระทำอย่างอื่นนี่คือเหตุผลว่าทาไมผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วบางคนก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเต็มที่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 ดังนั้นคนอื่นบังคับเราไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเข้าใจถึงธรรมชาติของพวกเราจึงไม่บังคับพวกเรามีแต่สอนมีแต่เชิญชวนมีแต่ชักจูงมีแต่ชี้แนะชี้เหตุชี้ผลมีแต่บอกถึงความวิเศษเลอเลิศที่จะเกิดจากการปฏิบัติแต่ท่านไม่สามารถที่จะมาบังคับเราได้เพราะเรา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 ธนบัตรใบละพันกับธนบัตรใบละร้อยเราจะเลือกธนบัตรใบไหนเราก็ต้องเลือกธนบัตรใบละพันเพราะเรารู้ว่าธนาบัตรใบละพันนี้มีคุณค่ามากกว่าธนาบัตรใบละร้อยนั่นเองฉันใดถ้าเรามีปัญญาที่สามารถที่จะเลือกได้จะรู้ได้ว่าการกระทาของเราแต่ละอย่างนี้มีคุณค่าไม่เหมือนกัน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 เป็นเหมือนกับการมาได้ธนบัตรใบละหนึ่งพัไปแล้วการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นการได้ธนบัตรใบละหนึ่งรอยแต่ถ้าเราไม่รู้เช่นถ้าเราเป็นเด็กเด็กอาจจะเลือกธนบัตรใบละหนึ่งรอก็ได้เพราะเห็นมันเป็นสีแดงมันดูแล้วมันหน้ามันสดสวยกว่าธนาบัตรใบละพันอันนี้เขาเลือกด้วยไม่ได้เลือกด้วยเหตุผล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 แต่ผลจากการกินยาหวานกับการกินยาขมนี่มันแตกต่างกันคือกินยาหวานก็ทำให้โรคภัยหายเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ากินยาขมแล้วทำให้โรคภัยหายหมดเลยอันนี้เขาจะไม่รู้นอกจากถ้าเขาได้รับการสั่งการสอนการบอกเล่าว่ายาหวานนี่ถึงแม้จะกิน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 การปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆที่เราลักเราชอบเรามาทำในสิ่งที่เราไม่ลักไม่ชอบก็เหมือนกับการเลอกกินยาหวานแล้วมากินยาขมแต่ผลที่มันจะได้รับนี้มันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินการที่เราไปหาความสุขต่างๆเพื่อมาทำให้ใจเราสบายไม่มีความทุกนั้นเป็นเป็นความสุขเดียวเดียว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 เราต้องดับตามที่พระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็คือต้องสละความสุขต่างๆที่เราเคยใช้อาศัยเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจเพราะมันไม่สามารถดับได้อย่างแท้จริงดับได้อย่างถาวรดับได้เพียงชั่วคราวจนเวลาเรามีความไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวกัน ความไม่สบายใจนั้นก็หายไปชั่วคราวเราก็มีความสุขกันขณะที่เราไปเที่ยวกันแต่พอเรากลับมาบ้านไม่นานเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่แต่ถ้าเราไปปฏิบัติธรรมกันไปทำใจให้สงบกันได้ความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปแล้วมันจะไม่กลับมา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 แต่ถ้าเราลองเอาวิธีที่พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าถ้าเรามีเงินมีทองแล้วเราอยากจะมีความสุขดับความไม่สบายใจให้เอาไปใช้ในการทําบุญทําทานแทนเอาเงินนี้ไปแทนที่จะไปเที่ยวเอาไปทําบุญทําทานแล้วมันจะทําให้ใจของเรานี้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้แล้วจะทําให้ความอยาก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 พอขึ้นมาอีกมันก็จะเกิดความหุดหงิดใจอยู่กับบ้านไม่ได้อยากจะไปเที่ยวใหม่อีกเนี่ยความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ผลเกิดขึ้นที่ใจว่าทําให้ความหุดหงิดบำคานใจนี้น้อยลงไปเริ่มมีมากขึ้นการทําบุญทาทานนี้จะทาให้ความหุดหงิดใจของเราน้อยลงไปเรื่อยๆ การนําเอาเงินไปเที่ยวนําเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นต่างๆนี้กับจะทําให้เรามีความอุดกิจใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันหมด น, นี่ือยกตัวอย่างของการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมาศึกษาทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทําทานเนี่ยเป็นทำทานเพราะว่าเรามีเงินมากเกินไป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 เราเห็นว่าเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันให้เขามีความสุขให้เขาได้บรรเทาความทุกข์เราก็ทำไปด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำด้วยเหตุด้วยผลนี่มันจะไม่ติดถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงินจะทำมันก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ทำแต่ถ้ามีก็ทำต่อไปได้นี่คือความต่างกันจากการใช้เงินที่จะเกิด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 ก็ต้องไปทำบาปอบายามุกนี้เป็นตัวที่จะฉุดให้เราไปทำบาปแต่เราไม่อยากจะทำบาปเราก็อย่าไปเสพอบายามุกแล้วจะไม่มีตัวมงกดดันให้เราไปทำบาปกันเราจะทำให้เรารักษารักษาศีลได้ละการกระทำบาปได้ถ้าเราเห็นโทษของการกระทำบาปที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราว่าเวลาเราทำบาปแล้ว เ, เราจะไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ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 แต่พอถูกจับขึ้นมาเนี่ยถึงจะรู้ว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปฆ่าสัตว์นั้นเป็นความสุขชี่ว่าข่าวเดียวๆแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการถูกจับนี่มันยาวนานกว่าไม่รู้จะจบไปเมื่อไหร่เรื่องนี้กว่าจะจบก็คงเอกงานตัวเองก็ต้องทุกข์กังวลกับเรื่องนี้ต่อไป น, นี่ก็คือวิธี ท, ที่จะทำให้เราไม่ทําบาปก็คือหนึ่งอย่าไปเสพ อ, สอบายมุกอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปดื่ม hm สุรายาเมาอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปา mm hmm. เที่ยวดูของลเล่นต่างๆอย่าไปชบกับคนที่ชอบอบายมุก hmm. อ, อย่าไปคบกับคนที่ชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันเพราะเขาจะชวนเราไปถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน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 ผัดพุทธโธกันไว้เพราะเราไม่ผัดพุทธโธไว้พอถึงเวลาจะพุทธโธมันพุทธไม่ออกมันจะคิดแต่เรื่องที่เราอยากได้อย่างเดียวแต่ถ้าเรามาฝึกพุทโธพุทธโทไว้ก่อนพอถึงเวลาที่จะต้องใช้พุทธโธเราก็จะได้พุทธโธหยุดมันได้การใช้พุทธโธก็จะหยุดได้ชั่วคราวพอเราหยุดพุทธโธเมื่อไหร่มันก็จะคิดไปทางความอยากได้อีก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 ไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาทานสีลิสนิจังวุธาปะจายโน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 แบบแรกก็คือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าถ้ามีความจําเป็นก็หยุดหยุดพุทโธแล้วก็คิดได้แต่คิดให้มันมีเหตุมีผลอย่าคิดแบบเพริรเจอร์คิดแบบเพิร์ฟฟันอะไรทํานองนั้นถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุทโธแล้วก็คิด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 อาการกิเลสมันช่วยสร้างเรากิเลสมันชอบออพะจะทำอะไรที่กิเลสไม่ชอบนี่มันจะสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาอย่าไปสนใจมันมันมาหลอกเราขอให้เรามีสติอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเข้อสามลูกได้ให้เงินคนอื่นกู้คิดดอกเบีย้ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าบาปไหมคะ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 จิตจิตมนุษย์เนี่ยครับอก็มีหรือเปล่าเราถามแล้วก็ <c oughs> เมื่อตายไปแล้วจิตแยกออกจากร่างกายแล้วจิตจะมีความรู้สึกไหมครับมีเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรานอนเรานอนหลับจิตก็ยังฝันมีความรู้สึกต่างๆได้เหมือนตอนที่เราตื่นเหมือนกับเราตื่นแล้วเวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันใช่ไหมเราคิดว่าเราตื่นเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ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 แบบหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือพ่อแม่ใส่บาตรแต่ของที่ใส่บาตรนี้ยังไม่ได้เป็นของหนูถ้าหนูมีของเช่นมีเงินค่าขนมเนี่ยเป็นของหนูหนูเสียสละเงินค่าขนมนี้มาใส่บาตรหนูก็จะได้บุญด้วยแต่ถ้าหนูเอาเงินค่าขนมไปซื้อขนมหนูก็ได้ขนมไม่ได้บุญอข้าใจไหมถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องแบ่งค่าขนมมาทําบุญองนี้อันนี้เป็นของอันนี้หนูจะได้บุญเพราะเป็นเงินของหนูแล้ว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 แล้วอากาศร้อนทําให้เกิดมโนวิญญาณใหม่ครับมโนวิญญาณก็คือการรับรู้ความคิดคนละวิญญาณกันวิญญาณแต่ละวิญญาณนี้จะมีการรับรู้ไม่เหมือนกันเวลาเสียงมาสัมผัสกับหูก็จะเกิดโสตวิญญาณขึ้นมาเวลาภาพมาสัมผัสกับตาก็จะเกิดจกักขุวิญญาณวิญญาณนี้มีหกเส้นด้วยกันหกสายเพราั้นแต่ละสายจะรับข้อมูลไม่เหมือนกัน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 ไม่จริงหรอกจิตมันแยกไม่ได้หรอกจิ ต, ม, ม, จตมันจะไปทั้งดวงถ้าเป็นพรหมก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะเสื่อมมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามาบำเพญ็ญทำบุญกุศลมันก็จะกลับขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมต่อไปข้อที่สองหนูอ่านคำแปลของคำว่าวิมังสาซึ่งเป็นข้อสี่ของอิทธิบาทสี่จากก o เกิลแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายอย่างชัดเจน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 แล้วก็ได้รับรู้ว่าได้ได้กระทําเรียบร้อยแล้ว<อ>ก็จะได้รับผลคือได้รับความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าผู้ผู้กระทาไม่ได้เป็นผู้คิดเองอหรือเป็นเงินของตนเองแต่ตนเองไม่ได้คิดเพีงเยงแต่ลูกเอาไปบอกแม่ว่าแม่เอาเงินไปทำบุญแม่อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ในตอนนั้นอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรแม่ก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าแม่รับรู้ ถึงแม้ว่าถ้าแม่ไม่ห้ามก็แสดงว่าแม่แม่เห็นด้วยก็ยังได้บุญเยอะวิธีที่จะทำบุญได้ผลอย่างเต็มที่ก็ควรจะทาตอนที่เรายังแข็งแรงอย่าไปมัวทาตอนที่ใกล้ตายบางทีตอนนั้นมันไม่สมบูรณ์สมประกอบบางทีคนที่ทำบุญนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอไม่ได้บุญถึงแม้จะเป็นเงินของเขาก็ตามาต้องทำตอนที่มีความรู้สึกนึกคิดสมบูรณ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 ถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าอยากจะบูชาด้วยข้าของก็ใช้ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะแต่อาหารนี้พระพุทธเจ้ากินไม่ได้พระพุทธรูปกินไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรคํถาถามต่อไปจากคุณปียรนุชครับมีเพื่อนเขาหลับตานั่งสมาธิไป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 แต่ก็พยายามกำหนดใจให้อยู่ที่คำภาวนาแทนเช่นนี้ทำถูกไหมคะถูกแล้วเราควรจะอยู่กับการภาวนาเวลามีแสงมีเสียงมีอะไรประกฏให้เรารับรู้อย่าไปสนใจเพราะถ้าเราสนใจแล้วเราจะไม่ได้ภาวนาเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เร จ, ดจรานสติแล้วจิตก็จะไม่รวมจิตจะจะไม่สงบคำถามต่อไปจากทางยูทู e ครับจากคุณจัสมินครับขอโอกาสค่ะถ้าระดับพระอนาคามี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 แฟนหนูก็จะนั่งสมาธิทันทีเลยนั่งสมาธิไม่ถึงหนึ่งนาทีสศรืกสศรืกนั้นก็หายทันทีค่ะหายสศรืกแบบนี้มากกว่าสิบครั้งแล้วค่ะหนูถามแฟนว่าสศรืกหายได้อย่างไรแฟนหนูก็ตอบว่าธรรมโอสถหนูสอบถามพระอาจารย์ว่าข้า 1, อหนึ่งเศรกหายได้อย่างไรคะข้อสองเป็นธรรมโอสถจริงหรือคะคือความเศรือกนี้บางทีมันอยู่ที่เราไปคิดถึงมันมันก็เลยเศรือก